แต่ละคนกำลังรับกรรมที่ตัวเองเคยทำและกำลังต้องไปรับกรรมที่ตัวเองกำลังทำเมื่อใดบาปที่เคยทำย้อนกลับมาหาคนเรามักจะไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองเคยทำแต่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่โลกเพิ่งกระทำต่อตัวเองข้างเดียวเราเพิ่งถูกรังแก เราเพิ่งได้รับความไม่เป็นธรรมเห็นคนเย็นชาทำหน้าอากตันอยู่คุณอาจกำลังมองเห็นใบหน้าตัวเองในอดีตเมื่อวัยเด็กที่ทำกับพ่อแม่อยู่ก็ได้ถูกคนสนิทแทงข้างหลังทั้งที่ทุ่มเทให้แล้วไว้ใจมาตลอดนั่นอาจเป็นมีดเล่มเดียวกับที่คุณเคยปักไว้กลางหลังของพี่น้องหรือญาติมิตรก็ได้โดนคนหักอก ถูกทอดทิ้งไม่ใ่ดีคุณอาจเจ็บปวดคล้ายกับที่ทำคนอื่นไว้แต่กแกล้งทำเป็นลืมหรือต้องเตือนจังๆถึงจะนึกออกก็ได้เจอคนใกล้ตัวปอกลอกเจอคนใกล้ตัวรีดไถคุณอาจกำลังเจอสิ่งที่ตัวเองเคยทำกับคนใกล้ตัวและใกล้ตนในอดีตชาติก็ได้ตอนเป็นฝ่ายถูกกระทาความทุกข์ก่กำลังเกิดขึ้น ตลอดจนความหลงลืมสิ่งที่เคยทำไว้ไม่ว่าวีรกรรมในชาตินี้หรือคดีในชาติก่อนจะบีบให้ทึกทักว่าคุณโดนเป็นครั้งแรกโดยน้ำมือของคนตรงหน้าวิสัยไม่รู้ขี้ลืมและเข้าข้างตัวเองแบบมนุษย์จะไม่ช่วยกระตุ้นให้นึกออกเลยว่าตัวเองนั่นแหละที่เริ่มก่อนตัวเองนั่นแหละกาลังรับผลคิดไม่ถึงเลยว่านี่เป็นเรื่องจริง แต่ละคนกําลังรับกรรมที่ตัวเองเคยทําและกําลังจะต้องไปรับกรรมที่ตัวเองกําลังทําเพียงท่องไว้อย่างนี้บางทีโรคความจําเสื่อมจะค่อยๆหายไปเองและค่อยๆนึกอะไรออกขึ้นมาเอง